สเมเณรดาบทซึ่งตอนนี้บวชเป็นดาบทแล้วนะก็จริงๆเดิมทีก็ชื่อเป็นพรามชื่อว่าสเมเณรนะก็เลยช่วยชาวเมืองปรับแผ้วถางถางที้ระหว่างปรับแผ้วถางทางนั้นนะกลบพืชที่ปรับทางให้เรียบนะปรากฏว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าทีพังกรพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกซึ่งเป็นพระอรหันตสาวกได้อภิญญาหกทั้งหมดสี่แสนองคนะ์เดินทางมาพร้อมกับพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่พังกร เดินทางมาถึงแล้วแต่ที่ถึงตรงนั้นยังปรับไม่เสร็จนะชาวเมืองพอเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาครั้นี้ก็เลิกนะคนที่ประคมงแต่ปีกลองก็ประคมงแต่ปีกลองเพื่อเป็นการต้อนรับนะถ้าอ่านในพุทธวงศ์เนี่ยก็จะบอกว่าเทวดาเองก็ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการโปรยดอกมณฐารพนะดอกไม้สวรรค์ชาวเมืองก็เอาดอกไม้นั้นโปร ย, ยปลายตามทางเดินให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สุเมตาบทเห็นอย่างนั้นแต่มีพื้นที่ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ยังไม่ได้กรบเป็นพื้นที่ที่เป็นเปลือกตมอยู่เห็นพระสมมาสัมโพธเจ้าเดินทางมาอย่างนั้นะสุเมตตาบทเกิดความเลื่อมใสศรัทธามากเห็นท่านเดินทางมาอย่างนั้นที่ตรงนี้กรบไม่ทันนะ้สุเมตาบทก็เลยถอดเอาเสื้อของตัวเองนั้นวางลงบนที่แล้วก็นอนทับตรงจุดที่เป็นเปลือกตม โดยในใจของสุมเมธดาบทนั้นตั้งใจเอาไว้ว่าขอให้พระพุทธเจ้าและพระสาวกนั้นเดินเหยียบผ่านตัวของท่านเองเถอะท่านจะได้มีส่วนในบุญกุศลนี้การทําเช่นนั้นของท่านจะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับเรานี่คือสิ่งที่สุมเมธดาบทคิดในตอนนั้นสุมเมธดาบทก็เลยนอนลงทับเปลือกตมตรงนั้นเมื่อนอนลงทับเสร็จปุ๊บ ในใจก็ตั้งใจไว้นะเมื่อพระพุทธเจ้าที่ปังกรเดินทางผ่านมาถึงมาถึงจุดตรงนั้นนท่านทราบด้วยข่ายพยานถึงปณิธานของสุเมตตาบทว่าต้องการให้เหยียบโยงลงบนเริระของตนเองนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเปื้อนเปลือกตมตรงนั้นนะในขณะที่สุเมตตาบทเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินเสด็จเข้ามาใกล้นะจนกระทั่งมายืนอยู่ที่ตรงศีรษะของตนเองนั้น สุมเมตาบทในใจท่านคิดปรารถอย่างนี้ว่าหากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยชำระล้างกิเลสเราในตอนนี้มันจะเป็นประโยชน์อะไรสําหรับเราเล่าสําหรับเรานั้นผู้มีความสามารถเช่นนี้เราอาจสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากกว่านี้นั่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับเรามากกว่า คือถ้าท่านปรารถนาจะเป็นพระอระหันต์โดยการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทีฝังกรท่านก็สามารถได้ณที่นั้นแหละแต่ว่าท่านไม่ปรารถนาเช่นนั้นท่านเห็นว่าทำเช่นนั้นประโยชน์อย่างน้อยในความคิดของท่านท่านปรารถนาว่าอยากจะค้นพบหาทางความหลุดพ้นทุกข์ได้และอยากจะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทีฝังกรเป็นแบบอย่างนั่นเอง ในครั้งนั้นสุเมตดาบทก็เลยตั้งใจตั้งปณิฐานในในครั้งนั้นว่าต้องการที่จะตัดสรู้และช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปังกรเดินทางมาถึงที่ตรงสุเมตดาบทนอนอยู่ที่ตรงศีรษะท่านประทับ ย, ยืนที่ศีรษะทราบความคิดของสุเมตดาบทว่ามีความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อต้องการช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายพระสมาสัมพุติเจ้าทีปังกรจึงแผ่ขายพยานดูเหตุปัจจัยของสุมเมตตาบทก็พบว่าสุมเมตตาบทนี้อีกหล่กับข้างหน้าอีกหลายกับข้างหน้าก็คื อ, อสี่สงไขยกับหนึ่งแสนกับนั่นเองนะสุมเมตาบทนี้นะจะได้ตัสรู้เป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าพระนามวโคดมนะ มีพ่อนะมีพ่อก็คือมีพระราชบิดาชื่อสุโธธนะมีพระราชมารดาชื่อพระนางศรีมหามายาท่านเริงข่ายพยานเห็นหมดเลยว่าในยุคนั้นจะเป็นอย่างไรพระสมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรเห็นเช่นนั้นแล้วนะเร็งข่ายพยานเห็นเช่นนั้นแล้วท่านยกพระบาทขวาขึ้นพระษาวกอรหัตภาาวกทั้งหลายก็ทราบนะเดินกระทำประทักษิณรอบสุเม็ดดาบท เดิมมีการทำมาทักสินรอบสมเมตาบทหมายความว่าทราบแล้วว่าดาบทผู้นี้จะได้เป็นพระสัพพัญยูเป็นผู้พิชิตมารต่อไปในอนาคตข้างหน้าพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านก็ได้กล่าวเป็นพุทธธรรมนายเอาไว้ว่าดาบทผู้นี้ ต่อไปจกได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรและภาสาวกก็ได้เดินทางต่อสมัตดาบทนั้นหลังจากพระพุทธเจ้าเดิ น, ดนทางไปรับสายตาก็ลุกขึ้นตอนนั้นจิตใจประกอบด้วยปีติอย่างล้นเหลือมีความสุขอย่างมากนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรได้ให้พุท ธ, ธ ร, รนายเอาไว้แล้วว่าต่อไปเธอจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในขณะนั้นชาเมืองเองก็ทราบนะต่างก็แสดงความยินดีเมืนะ่อพระพุทธเจ้าทีปังกรเดินทางพ้นจากรับสายตาของสุมเมตตาบทไปสุมเมตดาบทก็ลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิเข้าฌานนะเข้าฌานขั้นสูงก็ได้ยินเสียงของเทวดานะแซ่ซองบอกว่าต่อไปท่านผู้นี้แหละจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตต่อไปท่านผู้นี้แหละจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเพราะมีเหตุการณ์ที่ แปลกประหลาดเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นลมที่พัดแรงก็ไม่มีในขณะนั้นการจุดติของสรรพสัตว์ไม่มีนะการจุดติของสรรพสัตว์ไม่มนะีความเดือดร้อนผู้ที่เป็นโรคไขคข้อเจ็บในขณะนั้นหายอย่างนี้เป็นต้นนะสมเด็จดาบทนั่งพิจารณาว่าเมื่อเราจักเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้ทาใดหนอที่เราจะต้องฝึก ทำใดหนอที่เราจะต้องที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตได้เคยประพฤติปฏิบัติมาทำให้ท่านบรรลุเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็พิจนารณาธรรมเห็นบารมีสิบนั่นเองนะก็ได้แก่ทานนะทานทานบารมีนะําเพ็ญทานอย่างยวดยิ่งศีล น, นะทานศีลนะใน่ยคมักคือการออกจากกามนะการไม่ยินดีในสิ่งตับสนองทา ง, ทา ง, ทา ง, ทางหูจมูกลิ้นกาย ออกจากการมนั้นเพื่อไปบำเพ็ญเพียรนะเนีน่ยขมะปัญญาการใช้ปัญญาในการสอดส่องในการพิจารณาธรรมทั้งหลายวิทยะคือการมีความภาคเพียรไม่ระยอท้อถอยขันติคือการมีความอดทนอดกลั้นนะสัจจะการถือความจริงการรักษาความจริงอธิษฐานคือการตั้งใจมั่นเมื่อจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งใจมั่นที่จะทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จให้ได้ เมตตานะคือการมีความปรารถนาดีอย่างแท้จริงต่อสรรพสัตว์และอุเบกขาคือการวางจิตเป็นกลางไม่ถูกกระทบไม่ว่าสิ่งใดเข้ามากระทบก็ตามนะท่านพิจารณาเห็นบารมีสิบนี้ก็ให้เกิดเหตุอัศาจารรย์เกิดขึ้นอีกนะแผ่นดินไหวชาวเมืองก็แตกตื่นเลยคราวนี้แตกตื่นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีปังกนเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นลางร้ายหรือลางดี ครูพุทธเจาที่ปางกรก็เลยบอกกับชาเมืองว่าเมื่อใดก็ตามที่พระโพธิสัตว์พิจารณาธรรมที่จะทําให้ตนเองตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือธรรมที่ตนเองจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นชาวเมืองได้ทราบอย่างนั้นก็ดีใจเลยใช่ไหมตอนแรกี่ตกกังวลท่นนี้ก็ดีใจเลยะก็ไปไ ป, ไปหาที่สุมเมตดาบดไปแสดงความยินดี ไปแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่านี่เรามีที่พึ่งแล้วหนอเรามีที่พึ่งแล้วหนอถ้าหากเราละทิ้งาศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังก่อละทิ้งในที่นี้โยมต้องเข้าใจนะว่าบางคนอาจจะยังปฏิบัติปฏิบัติธรรมได้ไม่ถึงอายุยบุคคลแต่ว่าตายเสียก่อนเนี่ยก็เรียกว่าละทิ้งเหมือนกันนะก็คือถ้าเราหมดโอกาสที่จะพุทธปฏิบัติธรรมจนกระทั่งหมดพ้นจากความทุกข์ในสมัยพระพุทธเจ้าที่ยังก่ออย่างน้อยได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแน่ในอนาคต ก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้มาเกิดขอให้ได้ท่านเป็นที่พึ่งให้ได้สุเมตดาบดเป็นที่พึ่งสุเมตดาบดนั้นเมื่อทราบอย่างนั้นนะก็มาคิดว่าพระพุทธเจ้าเมื่อทํานายเรื่องใดเมื่อบอกเรื่องใดเรื่องนั้นไม่มีเป็นสองแน่ท่านจึงเกิดความมั่นใจว่าท่านเองนั้นจะได้ตัสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแต่การบําเพ็ญบารมีทั้งสิบอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่กระทำได้โดยง่ายนะท่านจึงต้องเริ่มเสียตั้งแต่ตอนนี้เลย ด้วยความภาคพิร์พยายามด้วยความไม่ระย่อไม่ท้อถอยด้วยจิตที่คิดปรารถนาจะช่วยสรรพสัตว์อย่างแท้จริงใช้ปัญญาในการแก้ไขในการฝึกในการพัฒนาอย่างแท้จริงท่านจึงเดินทางเข้าสู่ป่าและก็บำเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่อันนี้ก็คือครั้งแรกเลยนะนตั้งแต่นั้นสุมเมธดาบทนี้จึงเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์ว่าจะสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะวันในเรื่องของพระโพธิสัตว์นั้น นะมีทั้งพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์แล้วซึ่งจะเป็นพระสมานสามพระพุทธเจ้าแน่นอนในอนาคตส่วนพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์คือคนที่อยากปรารถนาจะช่วยสรรพสัตว์แต่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอันนี้ยังมีคติไม่แน่นอนนะอาจจะได้เป็นหรืออาจจะไม่ได้เป็นก็ได้นะอันนี้คือย้อนหลังกลับไปสี่อสงไขยกับหนึ่งแสนกัดนะแม้ว่าได้รับการพยากรณ์อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ทําให้สุมเมตตาบทหลงระเริงหรือประมาทเลย แต่ในทางตรงกันข้ามเพราะท่านเห็นว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นกับท่านท่านกลับประดมความเพียรอย่างเต็มที่สิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีงามท่านทำอย่างเต็มที่ไม่ละเลยเลยนั่นคือในยุคสมัยที่ท่านเป็นสุมเมตดาบทถัดจากนั้นมาท่านได้วนเวียนอยู่ในสังสารวัตนี้อีกมากมายนับไม่ถ้วนแต่ไม่ว่าพระไม่ว่าชาติไหก็ตามที่ท่านถือกาเนิดขึ้นมา ปณิธานของท่านไม่ได้ละไปจากการช่วยเหลือสรรพสัตว์ไม่ได้ละไปจากการค้นหาความจริงเพื่อการตัดสรู้เพื่อความพ้นจากทุกข์เลยไม่ว่าใครจะทำอะไรกับท่านก็ตามและไม่ว่าท่านจะพบกับปัญหาและอุปสรรคอย่างไรก็ตามซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสบอกเอาไว้เองว่ามีทำอยู่สองประการที่เป็นธรรมที่เกื้อกูลและเป็นประโยชน์กับท่านมาก ทำสองอย่างนี้หากใครทำได้อย่างถึงพร้อมแม้ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึ่งท่านทำมาอย่างถึงพร้อมทำมาอย่างเต็มที่ทำสองอย่างนี้ได้แก่อะไรข้อที่หนึ่งความไม่สันโดษในกุศลธรรม ในคุณงามความดีในสิ่งที่ดีงามในการฝึกพัฒนาชีวิตในการฝึกพัฒนาจิตใจรวมถึงในการฝึกพัฒนาปัญญาไม่ว่าจะทําได้ดีแค่ไหนไม่หยุดต้องดีมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นนี่คือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทําอย่างเต็มที่พัฒนาอย่างเต็มที่ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นนี่คือข้อแรกข้อที่สองคือการมีความเพียรไม่ระยอท้อถอย ถ้าจุดหมายยังไม่ถึงไม่ละจากความเพียรทำอย่างเต็มที่อุทิศตนอย่างเต็มที่ซึ่งหลักสองอย่างนี้นับตั้งแต่เสียสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกับที่แล้วมาจนทั้งถึงกับปัจจุบันพระโพธิสัตว์ของเราทำอย่างเต็มที่มีเรื่องราวเล่าเยอะแยะมากมายเลยนะในที่นี้ขอยกมาเป็นตัวอย่าง จริงๆถ้าเล่าเนี่ยมีมีคนสรุปพยายามประเมวนไว้มีทั้งหมดประมาณสักหร้อยเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการภาคเพี่ยนของท่านการภาคเปลี่ยนของท่านทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่ออะไรเพื่อการจัดสรุ้และเพื่อช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่เพื่อเช่อเสียงเกียรติยศเงินทองของท่านนี่คือน้ำใจของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพวกเราทุกๆคน จะยากลำบากแค่ไหนแม้ต้องอุทิศชีวิตแม้จะไม่มีคนสนับสนุนหรือมีคนทำร้ายแค่ไหนแต่พระโพธิสัตว์หรือพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่เคยละจากจุดหมายเลยสิบอย่างนั้นท่านพยายามทำอย่างเต็มที่มาตลอดอา้าวอาตอมาขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งกันแล้วกัน <c oughs> มีอยู่สมัยหนึ่ง ที่พระสมณะสัมพุทธเจ้าของเราตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นพยาวานอนตอนที่เกิดเป็นพยาวานอนนั้นเนื่องจากเป็นพยาวานอนจึงมีขนที่สวยงามมากในพรานเห็นอยากจะจับเอาไปถวายพระราชาเอาขนนั้นไปถวายพระราชาในพรานนั้นจึงออกตามล่าพยาวานอนเอาบวงดักเอากับดักดักแต่พยาวานอนหลีกหนีมาได้ทุกครั้งหลีกหนีมาได้ทุกครั้ง เขานี้หนีเนี่ยโดยปกติพยาวานอนนั้นถ้าจะทำร้ายนายพรานนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่พยาวานอนโพธิสัตว์นั้นไม่ได้มีจิตคิดร้ายต่อนายพรานที่กำลังคิดร้ายกับตนเองเลยแม้สักเล็กน้อยมีแต่จิตปรารถนาดีกับนายพรานไม่อยากให้เขาทำบาปเมื่อไม่อยากให้เขาทำบาปถิ่นที่ตัวเองเคยอยู่ใกล้ตัวเมืองก็ไม่อยู่ที่ถิ่นนั้นซะหนีเข้าไปในป่าลึก นันเพราะไม่อยากทำลายในพานและไม่อยากให้อยู่ในพานนั้น ก, อก่ อ, ก อ, กอกาการทําเข็ญ น, นั่นเองเมื่อห น, นีเข้าไปในป่าลึกในพานยอมไหมไม่อยากได้สมบัติออกตามล่าก็ตามล่าพยาวานอนนี้เข้าไปในป่าลึกคร น, นี้ป่ากว้างใหญ่มากพอพยาวานอนหนีเข้าไปลึกมากขึ้นมากขึ้นทุกทีในพานเดินไปเดินไปหลงทางหาทางออกจากตัวจากตัวป่าไม่ได้คร น, นี้หลงทางอยู่ในป่า หลงทางครานี้เดือดร้อนแล้วในพานนั้นเดือดร้อนแล้วหลงทางอยู่ในป่าไม่มีน้ำไม่มีอาหารจะถึงแก่ความตายหาทางออกจากป่าไม่ได้ขณะนั้นในพานเดือดร้อนลําบากพยาววรนอนเห็นในพานเดือดร้อนลําบากอยู่อย่างนั้นทั้งทั้งที่เขากําลังตามล่าตัวเองแต่กลับมีจิตเอ็นดูจิตมีเมตตาต่อในพาน มาพบในพราและช่วยนำทางออกจากป่าเพราะฉะนั้นถ้าโยมบอกว่าโอมีคนนั้นมากระทบมีคนนี้มากระทบเจ็บแค้นเหลือเกินขอให้โยมจำเรื่องนี้เไว้ okay? เขาขนาดตามหน้าชีวิตของโยมหรือเปล่าเขาขนาดเอาหอกเอากับดักมาล่อหรือมาทำรายโยมอย่างที่ในพรานทาหรือเปล่าแต่เห็นไหมว่าพระโพติสัตว์ของเราหรือรสมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นวางท่าทีอย่างไร ไม่มีความโกรธเลยมีแต่จิตคิดปรารถนาดีไม่อยากให้เขาเสียหายไม่อยากให้เขาก่อกรรมที่ชั่วร้ายเหล่านั้นแม้เขาเดือดร้อนกลับมีน้ำใจช่วยพญาวานนก็ช่วยนําทางในพรานนั้นออกจากป่าคราวนี้เดินทางออกจากป่าเนี่ยจากป่าลึกมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็ค่อนข้างไกลเมื่อเดินทางมาถึงถิ่นที่นพรานคุ้นเคยนะตอนนั้นทั้งนายพรานทั้งพญาวานนท์ต่างก็เหนื่อยอ่อนล้ว เขาเดินทางมาตลอดก็เลยล้มตัวลงนอนพักนายพานตื่นขึ้นมาก่อนตื่นขึ้นมาเห็นพญาวันอนนอนหลับอยู่แล้วนี่ก็ใกล้ตัวเมืองตัวเองรู้ทันจัดทางกลับเมืองแล้วก็มีจิตคิดไม่ดีอีกมันต้องการผลประโยชน์อาวุธน่ะไม่มีแล้ว แต่เห็นก้อนหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่ข้างๆพยาวานอนกาลังนอนหลับอยู่นายพานยกเอาหินก้อนใหญ่นั่นแหละทุ่มลงที่ศีรษะของพยาวานอนหมายจะฆ่าจะได้เอาหนังของพยาวานอนเอาขนนั้นไปถวายให้พระราชาตนเองจะได้ทรัพย์สมบัติโยมเป็นพยาวานอนจะทํำยังไงพยาวานอนโพธิสัตว์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีสติเขาเอาก้อนหินทุ่ลงมาเนี่ย รุดรุดูดดตัวก่อนก็หลบแต่แม้ว่าหลบนั้นก็โดนก้อนหินทุบบาดเจ็บโดนทำร้ายจนบาดเจ็บตอนนั้นนายพรานไม่มีอาวุธอยู่ในมือเป็นโยมยมจะทำยังไงล่ะแต่พญาวานนโพธิสัตว์เห็นอย่างนั้นกลับมีจิตคิดสงสารมีจิตคิดเมตตาต่อนายพรานทำร้ายท่านบาดเจ็บอย่างนั้นท่านกลับสอนนมาน พอกระโดดหลบได้บอกในพรานท่านทําไมทําอย่างนีนะ้การที่ท่านทําร้ายผู้ที่มีคุณต่อท่านนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อท่านเลยจากนั้นก็สอนในพรานเสียยืดยาวนะสอนในพรานให้เห็นถึงบาปคุณคุณโทษให้เห็นโทษของการที่ทําร้ายผู้มีพระคุณแต่ไม่ได้ทําร้ายในพรานที่ท่านสอนนั้นเพราะท่านปรารถนาดีต่อในพรานนั้นไม่อยากให้ไปทําอย่างนี้ต่อไปในอนาคต เพราะถ้าไม่ได้เจอกับพระโพธิสัตว์พยาวนอนโพธิสัตว์นี้ชีวิตของนายพรานนั้นคงไม่รอดแน่แน่ใช่ไม่ใช่ต้องการให้ในายพรานนั้นตั้งอยู่ในคุณงามความดีนี่แหละน้ำใจของพระสมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นคือในสมัยที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์แม้มีผู้มาทำร้ายขนาดนั้นท่านยังไม่ทำรา้ายท่านจะทำร้ายได้อย่างไรในเมื่อปณิธานของท่านตั้งไวคืออะไรเอ่ย ต้องการช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ท่านคงเล็งเห็นแล้วล่ะ ว, ว่าเพราะความไม่รู้ของคนเพราะกิเลสในตัวคนจึงทำให้เขาทําสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้การที่จะไปฆ่าเขาไม่ได้ทําให้กิเลสหมดจากจิตใจของเขาใช่ไม่ใช่นั่นแหละความปรารถนาที่จะช่วยอย่างแท้จริงอีกตัวยอย่างหนึ่งในเรื่องของน้าใจในเรื่องของความเสียสละ ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ยมรู้จักพระเทวทัตใช่ไหมเอ่ยพระเทวทัตนี่ในสมัยพุทธกาลนี่เป็นผู้ที่รอบทำลายพระพุทธเจ้ามากที่สุดประมาณเจดครั้งด้วยกันยึดยงสงให้แตกแยกพยายามที่จะยึดเป็นประธานของคณะสงฆ์เนะยอะแ ย, ยะเลยนะนะแต่ว่าบุพรกรรมของพระเทวทัตนั้นไม่ใช่มีอยู่แค่นั้น แม้แต่ในสมัยเป็นพระโพธิสัตนี้ก็เป็นผู้ที่จ้องทำร้ายพระโพธิสัตว์มาหลายชาติด้วยกันที่ทำร้ายได้สำเร็จจะมีอยู่ประมาณสามชาตินะทำร้ายได้สำเร็จนะทรายได้สาเร็จในที่นี้ขอยกตัวอย่างไว้ชาติหนึ่งก็แล้วกันในยุคนั้นพระเทวทัตเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ต่อมาได้อภิเสกสมรส ได้พระมเหสีพระมเหสีนี้เป็นคนที่มีความงดงามมากแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่พระราชาอย่างดีทําให้พระราชามีความหลงในพระมเหสีคนนี้มากคือปฏิบัติดูแลถูกใจทุกอย่างเอาใจใส่ดูแลได้ถูกใจทุกอย่างต่อมาเมื่ออยู่ร่วมกันพระมเหสีก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาและคลอดลูกออกมาเป็นลูกชาย ลูกชายที่คลอดออกมานั้นมีสรีระที่งดงามมีสลีระที่งดงามเป็นพนที่มีบุญญาธิการเพราะลูกชายที่คลอดออกมานั้นคือพระโพธิสัตว์นั่นเองคือพระโพธิสัตว์ของพวกเรานั่นเองเพราะว่โพธิสัตว์ที่จะมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าสมณโคดมนี่นเองพระมเหสีเมื่อลูกชายยังเล็กแบเบา อ, อย่างนั้นก็เอาใจใส่ดูแลแล้วก็พงงมลูก นี่เป็นธรรมดาของคนที่เป็นแม่ใช่ไหมใช่โยมที่มีลูกแล้วเนี่ยตอนที่ลูกคลอดออกมาใหม่ๆเป็นยังไงแทบจะไม่สนใจเรื่องอื่นเลยใช่ไหม อ, อยากจะอุ้มอยากจะดูแลลูกเนี่ยลูกร้องไห้เนี่ยก็อยากที่จะไปอุ้มไปปลอบเขาใช่ไหมใช่เพราะมเหสีของกษัตริย์องนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเทปพระเมื่อพระมหากษัตริย์มาพบถ้าลูกร้องเธอก็ไปดูแลลูก แรกๆ ก, ก็ไม่เท่าไหร่พอเป็นมากเข้ามากเข้าความที่ตนเองเคยได้รับการเอาใจใส่แล้วก็ดูแลจากมาเหสียังดีมาตลอดแต่ตอนหลังมาเหสีนั้นกลับไม่เอาใจไม่เอาใจใส่ดูแลเหมือนเมื่อก่อนแล้วความคิดที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นว่าแหมลูกคนนี้นเกิดมาแล้วทำให้สิ่งที่เราเคยได้ความสุขที่เราเคยมีมันหมดไปเหมือนมาแย่งความสุขของตนเองไปนั่นเอง ก็เริ่มเกิดความขุนเคืองนะเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินต่อไปมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมาวันหนึ่งพระราชารู้สึกทนไม่ได้นะในขณะที่ตนเองกำลังได้รับเอาใจใส่ดูแลอยู่นั้นนะลูกนั้นก็กลับมากวนแล้วก็ไม่เห็นสีก็กลับไปให้ความสนใจให้ความสำคัญกับลูกมากกว่าตนเองเลยสั่งให้ทหารเอาลูกของตอนเองนั่นแหละไปตัดแขนตัดขา แล้วโยนขึ้นบนฟ้าเอามีดเสียบทลุอายมเป็นเด็กโยมรู้สึกยังไงกับพ่อที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าอิจฉาที่แม่รักตนเองมากกว่าหรือเอาใจสใส่ตนเองมากกว่าแต่พระโพธิสัตว์นั้นในขณะที่โดนประหารโดนทำร้ายอย่างนั้นจิตใจของท่าน ที่จะคิดร้ายต่อพ่อของตนเองไม่มีเลยท่านพิษคิดเพียงแต่ว่าขอให้บาปกรรมหนักนี้อย่าตกลงที่พ่อของตนเองขอให้ความช่วยร้ายเสียหายอย่าตกลงที่พ่อของตนเองแม้ว่าตนเองจะต้องเสียชีวิตก็ตามเนี่ยั้งใจของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์เพราะท่านตั้งใจแล้วท่านต้องการช่วยทุกคน ไม่ได้เลือกที่รักผลักที่ชังเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนนั้นจะดีกับท่านหรือจะร้ายกับท่านมากแค่ไหนก็าตามเจตนาของท่านความคิดของท่านความรู้สึกของท่านมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือต้องการช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์พ้นจากความไม่ดีงามทั้งหลายถ้าเอาเข้ามาในยุคสมัยที่ใกลเคียงมากขึ้นกว่านั้นอีกก็ในสมัยศิษยรชาติสุดท้าย สิบประชาาสุดท้ายตอนที่ท่านเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ในสมัยหนึ่งท่านได้เกิดเป็นพญานาคชื่อภูริทัตตะพญานาภูริทัตตนั้นเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ต่อมาถูกหมองูหมองูก็พยายามไปล่อจับท่านหนีได้และท่านก็ไม่ได้ทำลายหมองูต่อมาหมองูนั้นจับท่านได้ จับท่านได้ก็เอาท่านมาทรมานถามว่าถ้าท่านจะทําร้ายหมองูอันนั้นเป็นเรื่องง่ายมากแต่ท่านไม่ทําหมองูจับหมองูทรมานท่านท่านกลับไม่ทําร้ายตอบมีแต่จิตคิดปรารถนาดีกับหมองูท่านนั้นว่าบาปเพราะกรรมใหญ่ตกอยู่กับท่านเลยท่านพอจะช่วยอะไรได้แค่ไหนท่านช่วยอย่างทต็ที่ มองงูก็คือเอา ง, งูไปหากินนั่นเองใช่ไหมนั่นคือสมัยที่ท่านเกิดเป็นผู้ริทัตารักษาศีลอย่างบริบูรณ์ไม่ทำร้ายหรืออย่างในสมัยพระชาติที่ท่านเกิดเป็นอมาตะที่ชื่อว่ามโหสถมโหสดนี่เป็นผู้ที่มีปัญญาความรู้มากต่อมาได้เป็นอมาต์ ต่อมามีกษัตริย์ต่างเมืองยกทัพมาจะตีที่เมืองนี้มโหสถเป็นมหอมาอํามาตย์ก็ต้องคุมทัพออกรบแต่สิ่งที่มโหสถทำนั้นไม่ได้ออกรบปิดประตูอยู่ในเมืองสิ่งที่มโหสถคิดคือทําอย่างไรจะไม่ให้เกิดสงครามเพราะว่าอะไรถ้าเกิดสงครามแล้ว ทหารทั้งสองฝ่ายย่อมบาดเจ็บล้มตายผู้คนจะเดือดร้อนไปทั่วและท่านมีจิตคิดปรารถนาดีแม้แต่ทหารทั้งที่เป็นศัตรูแลของตนเองไม่อยากให้มีใครถูกทำร้ายเลยไม่อยากให้ใครก่อกรรมทาเข็นเลยนั่นเองมโหสถพยายามใช้ปัญญาเยอะแยะเลยนะมีเรื่องราวในเขียนไว้เป็นหนังสือเป็นเล่มได้เลยนะที่ชื่อว่าโมโหสถชาดกนะ หรือมหาบรุษแห่งมิลินทะนครมิลินทานาคร น, นะอันนี้โยมลองไปอ่านดูก็ได้นะยกตัวยอย่างง่ายๆเช่นกองทัพที่ยกมาเข้าตีเมืองยังไม่ได้เพราะว่าโมโหสถนั้นจัดทหารพิายามป้องกันไม่แข็งขันมากนะยังไม่กล้าเข้าตีโมโหสถพยายามให้แข็งขันนั้นเพราะว่าเป็นการป้องปรามเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าตีหรือการก่อสงครามนะเพราะว่าผู้ที่จะเข้าตีนั้นเสียเปรียบใช่ไม ถ้าคนที่อยู่บนป้อมยามนั้นยังแข็งขันมีกำลังทหารพรักพร้อมแล้วเนี่ยเขาจะไม่เข้าตีจะเข้าตีก็ต่อเมื่อเริ่มหย่อนกำลังหรือเริ่ม อ, อ่อนแอลงก็เลยยังไม่เข้าตีก็ตั้งทัพประจันหน้าอยู่อย่างนั้นถ้าที่จะเข้าตีก็เลยคิดกลนอบายปิดทางน้ำเพื่อไม่ให้มีน้ำไหลเข้าตัวเมืองเพื่อให้ทหารอดน้ำและชาวเมืองอดน้าทหารจะได้อ่อนกาลังลง ไปทางน้ําอย่างนั้นเนี่ยจริงๆมโหสถนะถ้าโดยปัญญาแล้วเนี่ยจะออกมาตีทัพนั้นให้พ่ายไปเสียเมื่อไหร่ก็ได้แต่ท่านไม่ทําวิธีการก็คือท่านปลูกบัวแต่คราวนี้น้ํามันเหลือน้อยเนี่ยสะน้ํำที่ลึกไม่มีแล้วท่านก็ปลูกบัวลงในไผ่ไผ่มันจะเป็นปล้องใช่ไหมรากบัวมันก็จะชอนไปตามไผ่ไผ่นี้ไม่ได้วางตรงแต่ให้วางนอน เมื่อวางนอนอย่างนั้นเวลาบัวเจริญเติบโตขึ้นมารากบัวมันก็จะไปตามไม้ไผ่รากบัวก็จะยาวมากเลยใช่ไหมไม้ไผ่วางนอนแล้วก็ให้คดเชียวเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็เอาบัวเนี้ยถอดออกจากไผ่ได้รากบัวที่ยาวก็โยนลงไปให้ทหารฝ่ายนั้นเห็นบอกว่าปิดน้าปิดทางน้ำก็ปิดทางน้ำไปเถอะนะในเมืองไม่มีวันอดน้ำหรอกนี่บัวที่เปะปลูกอยู่ในเมือง ทั้งๆ ท, ที่ในตัวเมืองขนาดนั้นเดือดร้อนอดน้ำจจแย่อยู่แล้วแต่ที่ท่านทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเอ่ยไม่ต้องการให้ก่ อ, ใ ห, กอให้เกิดสงครามเห็นไหมนี่คือปัญญาปัญญาที่ใช้นี้เป็นปัญญาที่ใช้เพื่อช่วยเหลือทุกๆคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกับท่านเพราะปณิธานของท่านคือต้องการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์สุดท้ายก็คือส่งกองทหารลอไปยึดเมือง คือให้กองทหารในเมืองที่มาล้อมนั้นดึงกองทหารมาล้อมตัวเมืองให้มากที่สุดแล้วมโหสดก็ส่งกองทหารนั้นไปาทางทางลับไปยึดเมืองฝ่ายตรงข้ามได้ยึดเมืองได้อย่างนี้ทำยังไงเอ่ยถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปได้ลูกเมียของพระมหากษัตริย์ฝ่ายตรงข้ามจะทำยังไงมโหสถบอกว่าให้ดูแลรักษาอย่างดีที่สุด ไม่ให้ทหารทำร้ายใครเลยในตัวเมืองนั้นคนที่เป็นญาติพี่น้องเป็นลูกเป็นภรรยาของพระมหากษัตริย์องค์ที่มาปิดล้อมเมืองท่านให้ส่งตัวไปให้ถึงกองทัพแล้วก็ส่งสารไปเจริญสัมพันธไมตรีว่าเราไม่ปรารถนาจะลบกับท่านขอให้เป็นมิตรกันเถอดกองทัพที่ยกมาล้อมเมืองเป็นยังไงล่ะเมืองตัวเองก็โดนยึดแล้ว บุตรยาเขาจับได้ก็ยิงมีนน้ำใจส่งมาให้อีกจะสงบศึกหรือจะลบต่ออย่างนี้ลบต่อก็เห็นผลอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีเมืองไม่มีเมืองที่จะส่งกําลังบํารุงมาให้ยังไงมันก็แพ้อย่างเดียวอยู่แล้วกองทัพที่ยกมารบก็เลยจเจริญส ม, มรภไมตรีสุดท้ายจบลงก็คือทั้งสองเมืองนั้นไม่ได้รบกันทหารไม่ต้องบาดเจ็บล้มตายแต่กลับกลายเป็นมิตรซึ่งกันและกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นี่คือการใช้ปัญญาของพระโพธิสัตว์ไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแต่ใช้เพื่อช่วยเหลือไม่ว่าคนนั้นจะดีกับท่านหรือมาทำร้ายท่านก็ตามหรือแม้แต่ในสมัยพระชาติสุดท้ายที่ท่านเป็นพระเวสสันดรเกิดมาเป็นบุตรของพระมหากษัตริย์ต่อมมาได้รับสถาปนาพยายามช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่ ให้อย่างเต็มที่การให้อย่างเต็มที่หรือทานเนี่ยท่านทำมาตลอดนะไม่ได้หวงไวพ้พิธีของตัวเองเลยแต่จะใช้สิ่งที่มีอยู่นี้อย่างไรจรึงจะเกิดประโยชน์สุขขึ้นกับคนทั้งหมดชาวเมืองในเมืองที่อยู่ตรงข้ามอีกเมืองหนึ่งเดือดร้อนเนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเพราะว่าไม่มีพญาช้างเผือกก็ส่งอมาตมาขอพญาช้างเผือกจากพระเวสสันดร ชาวเมืองนั้นพระเวสสันดรชาวเมืองของพระเวสสันดร น, นั้นและมหามาดต่างคัดค้านเพราะว่าอะไรเอ่ยช้างเผือก น, นั้นเป็นสัตว์ผููบ้านคู่เมืองไม่ให้ใครและถ้าให้ไปเกิดผลไม่ตกต้องตามฤ ด, ดูกาลที่เมืองของเรามเรามืองของเราย่อมเดือดร้อนประชาชนของเราย่อมเดือดร้อนแต่พระเวสสันดรให้ไหมให้เมื่อให้แล้วผลเป็นยังไงผลก็คือชาวเมืองไม่ยอมรับ และปลดท่านออกจากกษัตริย์แต่พระเวสสันดรไม่มีความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเพราะท่านรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นจะได้ช่วยชีวิตของชาวบางอีกเมืองหนึ่งซึ่งกำลังอดอยากเนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลได้ท่านไม่ได้มาคานึงว่าท่านจะต้องเสียอะไรทรัพย์สมบัตินอกกายสำหรับท่าน ไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกแล้วสิ่งสำคัญของท่านคือทำอย่างไรจะช่วยสรรพสัตว์ให้ได้อย่างดีที่สุดเท่าที่ท่านจะมีกาลังที่จะทำได้ชาวเมืองไม่เข้าใจตรงจุดนี้แม้อธิบายให้ฟังท่านก็ไม่เข้าใจกลับเห็นว่าท่านไม่สมควรเป็นพระมหาษัตย์ขับไล่ท่านออกจากเมืองเป็นโยมโยมจะรู้สึกยังไงต่อชาวเมืองนี้แต่พระพิษณุนั้น ท่านกับมีจิตคิดปรารถนาดีอา้าวเมื่อเขาขับไล่นะท่านก็ออกจากตัวเมืองโดยดีทั้งๆที่โดยความเป็นจริงท่านมีกองทหารอยู่กับตัวจะออกก็ได้ไม่ออกก็ได้ใช่ไม่ใช่แต่พระเวสสันดรสละเพื่อความสุขของชาวเมืองของตนเองจะได้ไม่เกิดความทะเลาะเบาแหวงจะได้ไม่ต้องเกิดการเขียนฆ่าซึ่งกันและกันท่านสละพระราชสมบัติให้และออกจากตัวเมือง พร้อมกับพระนางมสสีซึ่งเป็นมาเหสีแล้วก็ลูกเล็กๆคือกันหาชาลีเมื่อออกจากตัวเมืองมีทรัพย์สมบัติติดตัวอยู่ชาเมืองตามข้างทางเห็นคนมีทรัพย์สมบัติเดินทางผ่านมาก็ไปขอเป็นโยมโยมจะให้ไหมตนเองเนี่ยออกจากความเป็นพระมหาปัสัตว์ไม่มียศสังไม่มีอำนาจและมีแค่สมบัติติดตัวอยู่แค่เนี้ยที่จะเอาไว้เลี้ยงตัวเองพระเวสนดรให้หมด แม้กระทั่งไปอยู่ที่ป่าชูชกมาขอมาขอใครเอ่ยขอกันหาชาลีพระเิสันนนทเห็นอย่างนั้นอโยมก็คิดดูกันละกันไปอยู่มีภรรยาแล้วมีลูกเล็กๆที่น่ารักอยู่สองคนความรักความผูกพันจะมีมากแค่ไหนชูชกมาขอท่านเห็นแก่ประโยชน์ของลูกของท่านเองว่าถ้าอยู่ใน ในป่าแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับการศึกษาชูชกเป็นคนโลภได้ไปย่อมเอาเด็กนี้ไปทำให้ตัวเองมีรายได้มากที่สุดรายได้จะมากที่สุดก็ต่อเมื่อจะได้เงินมากที่สุดก็ต่อเมื่อเอาไปให้ปูก่กับย่าแล้วจะได้เงินจากพระราชาใช่ไหมใช่ท่านยอมสละได้นี่คือเพื่อความสุขของลูก เพื่ออนุเคราะห์ชูชกซึ่งเขาเป็นคนที่โลภก็ตามแม้ว่าโลภก็ตามนะแม้ว่าโลภก็ตามไม่ได้คิดร้ายต่อชูชกให้สุดท้ายเท้าสั ก, กะแปลงตัวมาขอพนางมัด ส, สีท่านก็ให้สลัดได้หมดเพราะปณิธานของท่านต้องการช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลาย การที่จะมาติดกับบุตรและภรรยาแล้วห่วงอยู่แค่นี้ท่านจะไม่สามารถทำปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่านคือการช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้เกิดขึ้นได้มีนักวิชาการหรือคนไทยบางคนก็บอกว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกให้บุญให้ภรรยาไปอย่างนี้ได้อย่างไรนะทาไมไม่ดูแลย่อมต้องคิดในทางกลับกันนิดหนึ่งนะในที่นี้ให้เป็นง่ายคิดเอาไว้ ถ้าดูแลบุตรภรยาอยู่กับตัวแต่ตนเองไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้บุตรภรรยานั้นจะยังตกอยู่ในสังสารวัฏและจะยังมีความทุกข์อยู่หรือเปล่ายังมีอยู่ตนเองก็จะช่วยตนเองไม่ได้และแม้บุตรภรรยาที่ตนเองรักก็จะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ไม่ได้ระหว่างช่วยให้เขามีความสุขอยู่เพียงชั่วคราวแต่ต้องทนทุกข์อยู่ในสังสารวัฏ กับให้เขาทุกเพียงช่วงคราวคือแค่ในชาตินี้หรือในช่วงระยะเวลานี้แต่จะสามารถช่วยเขาให้พบกับความสุขที่อย่างแท้จริงและพ้นจากสังสารวัตรได้โยมคิดว่าอย่างไรจะดีกว่าการช่วยให้เขาพ้นจากสังสารวัตรได้นั้นประเสริฐมากกว่าเพราะจะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ในอย่างสิ้นเชิง และเรื่องนี้เรื่องของการบริจาคลูกและพนามัท ส, สีพนามัสสีนี้จริงๆมีเรื่องราวเล่ามาตั้งแต่สมัยเป็นสุมเมตดาบทเลยนะแต่ว่าวันนี้คงไม่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนแล้วก็เล่ากันนะเอาไว้วันหลังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะยมคอยทวงก็เล่ากันนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคู่ของอ่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาตั้งแต่สมัยสุมเมตดาบทแล้วนะเป็นผู้ที่จะคอยช่วยเหลือพระพุทธเจ้ามาตลอด และเป็นคนที่ถูกพระสมาสัมพุทธเจ้าของเราบริจาคให้กับคนอื่นมาลมากมายนักไม่ถ้วนในหลายชาตนะิหลายชาติมากนะให้ไปช่วยให้ไปอนุเคราหคนอื่นหรือไม่ก็สละให้คนอื่นไปอย่างนี้นะแต่พระนางมัสยิบอกว่าสําหรับพนางแล้วน ะ, ะพะนางมัสยินั้นเมื่ออพนางได้มาเกิดในสมัยของพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระมเหสีของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ คือใเอ่ยพระนางยโสธาราซึ่งต่อมาพระนางยโสธารานี้ก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ก่อนที่พระนางจะปรินิพพานก็มาได้มาเฝพระพุทธเจ้า ก, ก็เล่าเรื่องราวให้ฟังขอให้พระพุทธเจ้าน้อมนึกถึงตั้งแต่สมัยเป็นสุเม็ดดาวดบและตลอดทุกชาติที่พระนางได้ร่วมทําบุญกับ พระสมาสสมพุทธเจ้าช่วยเหลือเกื้อกูมาตลอดนะเมื่อรู้ว่าต้องการบำเพ็ญเพียรด้วยการบริจาคพระนางพระนางกับไม่เสียใจมีแต่ความยินดีว่าจะได้ช่วยเหลืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านนี้จักได้ตัดสรู้เป็นพระสมานสมพุทธเจ้าในภายหลังนะเรื่องนี้มีความเป็นมาอยู่ไนะม่เมื่อชูชกมาขอการหาชาลีนะขอเสียจในการหาชาลีไม่ได้ไปด้วยหนี นีไปลงบงบ่อสั์บัวใช่ไหมพระโพธิสัตว์ตามไปเห็นก็เรียกขึ้นมาแล้วยกให้ชูโชกไปยกให้ชูโชคชูโชคเห็นอย่างนั้นทําตัวเองลําบากเป็นยังไงตีต่อหน้าพ่อเลยอะยอมคิดดูก็แล้วกันคนเป็นพ่อเป็นยังไงลูกที่ตนเองประคบประงมลูกที่ตนเองรักเลี้ยงดูอย่างดีเห็นเขาตีอยู่ต่อหน้า เรียกว่าท่านน่ะ ก, กำมือแน่นเลยนะแต่ว่าไม่ทำร้ายชูชกไม่คิดร้ายต่อชูชกท่านยังช่วยชูชกมากกว่านี้ไม่ได้ท่านช่วยได้แค่นี้นั่นแหละคือความเสียสละคือน้ำใจของพระสมมาสัมเพื่อเจ้าของพวกเราทั้งหมดนี้เพื่อใครเพื่อพวกเราทั้งหมดนั่นแหละแม้กระทั่งในสมัยที่ท่านมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ มีความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ท่านไม่ได้ติดอยู่กับความสะดวกสบายนั่นเลยวิธนนีทางของท่านคือทำอย่างไรจึงจ ะ, สะแสวงหาทางพ้นจากความทุกข์ได้ทำอย่างไรจึงจะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ได้ท่านคิดถึงพวกเราคิดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายสลักทุกอย่างเพื่อสแสวงหาหาทางหลุดพ้นต่อความทุกข์ และเพื่อช่วยสรรพสัตว์อย่างแท้จริงไม่มีจิตคิดร้ายต่อใครเลยเพราะฉะนั้นตอนพระชนายุได้ยี่สิบเก้าปีก็สละสมบัติทั้งหมดไปค้นหาทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ใช้เวลาในการฝึกฝ น, นพัฒนาอยู่หกปีจึงเห็นทางพ้นจากความทุกข์ วันนั้นคือวันอะไรเอ่ยวันที่ท่านได้พบทางพ้นจากความทุกข์วันวิสาขาบูชาสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนับตั้งแต่วันวิสาขาบูชาในครั้งนั้นทุกข์ในใจสำหรับท่านไม่มีอีกต่อไปแล้วชีวิตที่เหลือท่านจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นยังไงเอ่ย ชีวิตที่เหลือจากนั้นอีก 45,000 ปันศาก็ออกเดินทางไปเพื่อช่วยสรรพะสัตให้พ้นจากความทุกข์ด้วยการสอนด้วยการวางระบบด้วยการจัดตั้งคณะสงฆ์พยายามสอนในทุกแง่ทุกมุมอย่างละเอียดเพื่อที่ว่าสิ่งที่มีค่าเหล่านี้ไม่ใด่ช่วยคนหรือช่วยสรพพสัตเพียงในสมัยพุทธกาลเท่านั้น แต่หวังว่าจะได้ช่วยบุคคลอื่นๆหรือสรพพสารอื่นๆแม้ในยุคหลังจากที่ท่านปรตไดพผ่านไปแล้วด้วยอันนี้คือความปรารถนาดีของพระองค์ที่มีต่อพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นอยากจะให้โยมน้อมนึกให้ะระลึกถึงคุณงามความดีของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราความเสียสละของท่านท่านใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยในการที่กว่าที่ท่านจะตัดสู้ ใช้เวลาในการฝึกฝนพัฒนาตนเองสแสวงหาความจริงเสียสละชีวิตเสียสละทรัพย์เสียสละร่างกายใช้เวลามาทั้งหมดสี่อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกับแต่ไม่เคยละจากเป้าหมายเลยเพราะฉะนั้นสําหรับพวกเราเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาขนาดนั้นพวกเราไม่ต้องลําบากขนาดนั้นพระพุทธเจ้าพ ย, ายัญจัดระบบ พยายามบอกพยายามสอนแล้วนั่นถือว่าพวกเรานั้นโชคดีมากที่เกิดมาในยุคสมัยที่ยังมีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่เราเข้ามาศึกษาเอาไปพื่พื่อปฏิบัติให้เต็มที่เท่านั้นมันยากเกินไปหรือเปล่าเทียบกับสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราต้องเจออย่างไหนหนักกว่ากัน และสิ่งที่ท่านทำนั้นก็เพื่อพวกเราทุกคนนี่แหละคือพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่โยมไหว้พระสวดมนต์ขอให้โยมเราเล็กนิกถึงคุณงามความดีนึกถึงความเสียสละนึกถึงความประถานดีของพระพุทธเจ้านึกถึงความยากลำบากของท่านนึกถึงความมาหากรุณาของพระพุทธเจ้า นึกถึงปัญญาของท่านว่าท่านั้งใช้ปัญญาท่านต้องฝึกมากแค่ไหนกว่าที่จะค้นพบทางนี้แล้วได้มาบอกได้มาสอนพวกเราพวกเรานั้นนับว่าโชคดีมากที่เกิดในยุคสมัยที่ยังมีคำสอนโชคดีมากกว่านั้นคือได้เข้ามาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นให้ยมใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ ไม่ใช่เฉพาะที่นี่เท่านั้นไม่ว่าโยมไปที่ไหนก็ตามถ้าเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้โยมตั้งใจเงี่ยหูลงฟังตั้งใจคบคิดพิจารณาตามแล้วน้อมนำประพฤติปฏิบัติผลที่ดีงามย่อมเกิดขึ้นกับโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นอยากจะให้โยมลองน้อม น, นึกถึงเวล่าน้อมนึกถึงว่ามีคนปรารถนาดีกับเราถึงเพียงนี้มีคนที่ยอมเสียสละ เพื่อให้เราพ้นจากความทุกข์เพื่อให้เราได้เห็นหนทางได้รับการฝึกปฏิบัติได้พ้นจากความทุกข์มีคนที่มีความกรุณากับเราอย่างแท้จริงที่จะช่วยเหลือเราบุคคลผู้นั้นมีความปรารถนาอย่างแท้จริงต่อสรรพสัตว์มีความเสียสละสละได้แม้กระทั่งชีวิตของท่านเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้พ้นจากความทุกข์ยมรู้สึกยังไงเอ่ย ที่มีคนปรารถนาดีกับเราอย่างแท้จริงอย่างนี้กับเราเรานึกได้อย่างนี้จิตใจของเราย่อมเกิดความอิ่มเอิบย่อมเกิดความภาคภูมิใจในคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้โยมรักษาอาการเช่นนี้ไว้เมื่อ น, นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้นึกถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่เป็นสุมเมตตาบท ความเสียสละของท่านความประทันดีของท่านที่มีต่อสรรพสัตว์มีต่อพวกเราความมีพระมหากรุณาธิคุณของท่านความมีปัญญาอันเลิศของท่านความบริสุทธิ์ของท่านในการขัดเก้ากิเลสเราโชคดีแค่ไหนที่เรามีได้บุคคลเช่นนี้เป็นศาสดาเราได้เข้ามาศึกษาคำสอนของบุคคลเช่นนี้มันก่อให้ยมน้อมนึกอย่างนี้ ตั้งใจให้ดีงามแบบนี้จิตใจของโยมย่อมเกิดความสุขเกิดความห่องใสเกิดความพิติเกิดขึ้นเมื่อเราได้นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราการนึกหรือการเลึกเช่นนี้เมื่อโยมทําได้ถูกต้องจิตใจโยมย่อมมีความสุขนั่นแหละเป็นการฝึกกรรมาฐานอย่างหนึ่งแล้วอย่างที่โนโยมนั่งฟังเนี่ยรู้สึกยังไงเอ่ยรู้สึกยังไง มีความสุขหรือมีความทุกข์มีความสุขแม้เรารู้สึกมีความสุขจิตใจเราผ่องใส ย, ยมลองสังเกตยมไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นใจยมสงบจิตใจยมผ่องใสมีความสุขนี่แหละยมกำลังฝึกกรรมฐานอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าทุกคนควรฝึกไว้เป็นประจำ คือการน้อมเลิกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าทราบซึ่งในพระคุณของพระพุทธเจ้าเนิรนึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้ามีพระคุณและคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าทรงทำให้กับสรรพสัตว์ให้กับพวกเรานั้นเป็นอารมณ์กรรมาฐานภาษาธรรมะเราเรียกว่าพุทธานุสติเข้าใจไหมเอ่ยเพราะฉะนั้น กรรมฐานอย่างนี้โยมทำที่ไหนก็ได้โยมอยู่ที่บ้านนั่งอยู่เฉยๆแทนที่จะมัวไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไม่ดีต่างๆเรื่องการเมืองทิ้งไปเลย <c oughs> นะเอาใจใส่ในสิ่งที่ดีงามเหล่านี้เถิดในขณะที่โยมนึกถึงสิ่งที่ดีงามจิตใจโ ย, ยมย่อมปราบรื่มอิ่มเอิบส่องทองใสในขณะที่โยมตั้งใจนึกถึงสิ่งที่ดีงามเหล่านี้โยมย่อมได้กาลังใจในการที่จะไปประพฤติปฏิบัต ย่อมย่อมมีความาเพียงพยายามไม่ระยอท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อเทียบกับพระโพธิสัตว์แล้วปัญหาของเราเนี่ยเป็นยังไงสักกี่เปอร์เซ็นต์จากสิ่งที่พระโพธิสัตว์ได้พบมามันเทียบกันไม่ได้เลยนะแล้วแค่นี้เราจะระย่อท้อถอยหรือเมื่อเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นแบบอย่างเป็นศาสดาของเราเอาแบบอย่างอย่างท่าน มีปัญหาเกิดขึ้นยังแก้ไม่ได้ไม่ละจากความเพียรถ้าตราสใดยังไม่ประสบความสําเร็จมีตัวอย่างนี้ใช่ไหมชื่ออะไรเอ่ยพระมหาชนกว่ายน้ําอยู่กลางทะเลไม่เห็นฝั่งแต่ไม่เคยละจากความเพียรในการว่ายน้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนใช่ไม่ใช่โยมละ่ะบางทีฝั่งนะ่ะมันพอมองเห็นอยู่ ความสำเร็จมันพอมองเห็นอยู่บางทีก็ขี้เกียจบ้างไม่ชอบคนนี้ไม่อยากทำบ้างอย่าไปทำอย่างนั้นขอให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างไม่ละจากความเพียรมีความอดทนดังแผ่นดินไม่ว่าเขาจะทิ้งอะไรลงมาจะมีเรื่องดีหรือไม่ดีเข้ามากระทบไม่มีความหวั่นไหวโยมน้อมระลึกได้อย่างนี้โยมได้แบบอย่างด้วยจิตใจเกิดปีติจิตใจเกิดความห่องใสด้วย แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมเองด้วยนะมันตอนนี้เหลือเวลาอยู่อีกประมาณสักสิบนาทีก็อยากให้โยมนะนั่งขัดสมาธินะนั่งขัดสมาธิอ้าเดี๋ยวก่อนนั่งขัดสมาธิโยมยืนทุกขึ้นยืนก่อนสักนิดหนึ่งนะลุกขึ้นยืนก่อนสงนิดหนึ่งอ่าขยับแข้งขยับขาสักนิดนึงก่อนนะช้าๆนะช้าๆช้าๆไม่ต้องรีบนะอ่าจากนั้นให้โยมยืนตัวตรงนะ หายใจเข้าช้าๆเล็กๆเกี่ยวๆหายใจเข้าให้นึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ทำนึกถึงความเสียสละนึกถึงความมีพระมหาการุณานึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านึกถึงพระปัญญาที่คุณปัญญาของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยให้พวกเราพ้นจากความทุกข์นึกถึงความโชคดีของเราตั้งใจให้ดีงามนึกถึงพระคุณราลึกถึง คุณของพระพุทธเจ้าแล้วให้มีจิตใจที่อิ่มเอิบผองายมีความภาคภูมิใจมีความอิ่มใจ จากนั้นให้ยมยิ้มออกมานิดนิดนะยิ้มออกมาอย่างมีความสุขนะและนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านะความเสียสละความมีพระมหาการุณาที่คุณความที่ท่านเป็นพระอระหันต์เป็นครูผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเองจะได้มีโอกาสมาศึกษาคำสอนของท่านนะนึกถึงปณิธานของท่านที่จะช่วยพวกเราให้พ้นจากความทุกข์ เราเองก็จะได้รับโอกาสนี้เช่นเดียวกันเมื่อเข้ามาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่ยากมากท่านได้พยายามช่วยเราแล้วนี่เนะี่ยเป็นพระคุณของท่านเราไม่ต้องไปลาบากอย่างนั้นด้วยพระคุณของท่านตรงนี้จะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์สามารถที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้ได้ อาแล้วคราวนี้ให้โยมนั่งลงนะนั่งขัดสมาธินะแล้วก็ให้โยมน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อนะทําใจให้สงบนึกถึงพระคุณของท่านเรื่องราวต่างๆเรื่องราวของความเสียสละเรื่องราวของความอดทนเรื่องราวของความภาพเพียรเรื่องราวของปณิธานของท่านในการที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เรื่องราวของพระพุทธเจ้า ที่เป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหลักการที่ท่านวางไว้เพื่อพวกเราความปรารถนาดีความมีพระมหากราุณาที่พระสมมาสัมพุทธเจ้ามีต่อโยงเราโชคดีมากที่เราได้รู้จักพระศาสดาพระองค์นี้เราโชคดีมากที่อยู่ในยุคสมัยที่มีคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นึกถึงพระคุณของท่าน ที่มีต่อพวกเราทุกๆคนให้ยอมน้ำลึกติกถึงให้ยอมยิ้มออกมาอย่างมีความสุขรู้สึกถึงความสุขในใจมีความภาคภูมิใจในพระศ า, าสดาของเรามีความอิ่มใจในพระคุณของท่านรู้สึกถึงความสำเร็ในบุญคุณของท่าน ให้รู้สึกถึงความสุขในใจของเราน้อมระลึกถึงคุณของพระสมมาสัมพุทธเจ้ามีจิตใจที่ฟ่องใสมีจิตใจที่อิ่มเอิรขอให้โยมน้อมนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตามบทสวดมนต์ที่อาตมาจะสวดให้ฟังต่อไปนี้ นึกถึงแล้วให้มีความภูมิใจมีความอิ่มใจมีความสำนึกในพระคุณของพระสมมาสัมพุทธเจ้า